สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตสาวกครั้งที่สิบสองเรื่องสงครามพี่น้องครับเรานั้นที่เป็นสาวกของพระเยซูไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศเป็นเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศที่พระเจ้าได้มอบให้เขามีสิทธิอานาจชั่วคราวเพื่อที่จะ ทำงานของเขาในการล่อลวงในการลักฆ่าและทำลายพี่น้องครับในพระคัมภีร์นั้นมักจะใช้การสงครามอธิบายงานของคริสต์จักรในโลกนี้คริสเตียนที่แท้นั้นไม่ใช่มีแค่สนทนานไม่ใช่มีแค่ความร่ำรวยหรูหราไม่แค่มีไม่ใช่มีแค่ความที่ว่ามีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ใช่มีความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยหรื อ, สอแสวงหาความเพลิดเพลิน มีคนเปรียบเทียบนะครับว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตที่อยู่ในสงครามต้องยิ่นร่นบางตายเป็นการต่อสู้กับพลังที่มาจากนรกอย่างไม่รู้จบสิน้นเพราะฉะนั้นการเป็นสาวกจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่สานึกว่าเรากำลังอยู่ในยุทธภูมิเรากำลังอยู่ในแบตเทิลฟิลด์และไม่มีการหางหลังหลังกับไม่มีการหนีทหาร ในการสู้รบนั้นต้องมีความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันครับไม่ใช่เวลาไม่ใช่เป็นเวลาบ่นจู้จี้ในเรื่องที่ไม่สําคัญหรืออิจฉาลิสยากันหรือมีใจเป็นสองฝักสองฝ่ายพระเยซูสอนว่าบ้านใดแต่แยกกันครอบครัวใดแต่แยกกันแผ่นดินแต่แยกกันนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ครับดังนั้นทหารของพระเยซูคตริสต์ต้องสามัคคีทํากันมีสามัคคีหนทางไปสู่ความสามัคคีก็คือความถ่อมใจพเพียงครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง หนทางไปสู่ความสามัคคีความรักกันก็คือความถม่อมใจการถ่อมใจข้อหาการนั้นทําให้กองทัพของพระเยซูเข้มแข็งครับในฟิลิปปีบทที่สองสอนเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าจะต่อสู้กับคนถ่อมใจจริงๆย่อมไม่ได้ตบมือสองข้างถึงจะดังพี่น้องครับจะต่อสู้กับคนถ่อมใจจริงๆย่อมไม่ได้ตบมือสองข้างถึงจะดัง สงครามต้องการความเด็ดขาดและความเสียสละในการสงครามใดๆนั้นย่อมต้องมีการจำกัดบรนส่วนถึงเวลาคริสเตียนจะต้องตรหนักว่าตนเข้าสงครามเพราะฉะนั้นเขาต้องลดรายจ่ายลงให้เหลือน้อยที่สุดเพียงขับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเราจะต้องใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยให้น้อยที่สุดเราจะต้องดำรงตนเพื่อที่จะเหลือเงินมากที่สุดใช้ทุนทรัพย์ไปในการต่อช่วยให้มากที่สุดเพียงเขาวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธิคิดที่ หลายลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งครับในปี1960เป็นประธานชั้นปีของเขาในวิทยาลัยคริสเตียนแห่งหนึ่งในระหว่างชั้นปีนั้นชั้นของเขาเพื่อนของเขาก็แนะนำว่าเราจะมีงานเลี้ยงตามปกติตามธรรมเนียมสวมเสื้อแบบเดียวกันหมดจัดของขวัญให้กันและกันทันที่จะเห็นด้วยแทนที่ประธาน ทั้นปีคนนี้จะเห็นด้วยกับการเทใจเขาลาออกจากตําแหน่งประธานเลยครับเขาลาออกจากตําแหน่งประธานเลยเพราะไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีงานเลี้ยงที่ตามธรรมเนียมแล้วก็จัดอย่างหรูหราต่อไปนี้เป็นจดหมายลาออกของเขานะครับไปน้องโปรดฟังเพื่อนร่วมชั้นที่รัก เนื่องจากเรื่องงานเลี้ยงเชื่อและของขวัญได้เสนอขึ้นไปต่อคณะที่ประชุมข้าพเจ้าในฐานะประธานของชั้นปีได้ให้ควรดูท่าทีของคริสเตียนต่อสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าคิดว่าเราจะพบความยินดีอย่างที่สุดสําหรับตัวเราเองแต่ถ้าเรายอมอุทิศตัวเราสละเวลาสละเงินทองทั้งหมดแก่พระเยซูเพื่อคนอื่นโดยวิธีนี้เราจะพบว่าคํำตัดของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง ผู้ใดที่สูญเสียชีวิตของเขาเพื่อเห็นแก่เราก็จะได้พบชีวิตผู้ใดที่สูญเสียชีวิตเพื่อเห็นแก่เราก็จะได้พบชีวิตมีเจ็ดพันคนที่อดตายลงไปทุกวันและคนกว่าครึ่งโลกก็ยังไม่เคยได้ยินถึงพระเยซูคนกว่าครึ่งโลกที่ยังไม่ได้เห็นไม่ได้ยินพระเยซูผู้เป็นความหวังเดียวของมนุษย์ดังนั้นจึงดูขัดขัด ที่คริสเตียนเราชึ่งเราทั้งหลายอยู่ในโรงนี้ไม่คิซ้ําด้วยจะใช้เวลาและเงินทองไปในสิ่งที่ไม่เป็นพยานต่อผู้ไม่เชื่อหรือไม่ช่วยผู้ที่เป็นคริสเตียนเราเท่าจะเก็บพระเจ้าได้มากขึ้นถ้าเราจะช่วยกันเผยแพร่พระกิริสคุณแก่อีกหกสิบเปอร์เซ็นของโลกที่ยังไม่เคยได้ยินพระกิเลสคุณดีกว่าดีกว่าที่เราจะมาร่วมกันในคณะเล็กๆแสวงหาความเพลิดเพลินและเสียเวลาเสียเงิน เนื่องจากข้าพเจ้าตรหนักถึงความต้องการและโอกาสที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในทางที่จะเทื่อระเกียรติพระเยซูคริสต์และความช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่นี่ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนั้นไม่ได้ที่ข้าพเจ้าจะยอมให้เอาเงินของฉันไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เงินของฉันฟรีไม่ควรเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่เดือดร้อน ข้าพเจ้าอยากให้ผู้ใช้เงินของเขามาช่วยข้าพเจ้าจัดหาภรกจีิคุณและวัตถุที่ข้าพเจ้าจําเป็นมาให้ดังนั้นท่านก็เห็นได้ว่าพระเยซูทรงสละหมดทุกสิ่งด้วยความรักและอธิษฐานแต่ด้วยเหตุ น, นี้ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากการเป็นประธานของชั้นฝีเราลงชื่อพี่น้องครับสงครามต้องมีการทนทุกข์ าชายหนุ่มในทุกวันนี้ยอมสละชีวิตเพื่อประเทศชาติคือเสตียแล้วยิ่งต้องสละชีวิตเพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์ในแผ่นดินของโปรงพระกิติคุณข่าวเผชิญของโปรงยังไม่ได้แพร่ออกไปมากแค่ไหน ม, มากเท่าไหร่เลยความเชื่อที่ไม่ต้องสละอะไรเลยก็ไม่มีค่าครับพี่น้องครับความเชื่อที่ไม่ต้องสละอะไรเลยก็ไม่มีค่าความเชื่อที่ไม่ได้ถูกทดลองก็ไม่มีค่า ความเชื่อที่ไม่ถูกเผาด้วยไฟก็ไม่มีค่าจะไม่สามารถที่จะกําจัดเอามนทินหรือที่แร่ออกจากโลหะมีค่าได้ถ้าไม่มีการทดลองด้วยไฟถ้าพระเยซูมีคุณค่ายิ่งต่อเราทุกคนคงจะมีคุ้มค่าคุณค่าคุ้มกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเสียไปได้ ค่าพระเยซูมีค่าต่อเราทุกคนพระองค์จะมีค่าคุ้มค่ากับทุกสิ่งที่เราจะสละและเสียไปได้เมื่อรับใช้พระองค์เราต้องไม่คิดถึงความ security ส่วนตัวไม่คิดถึงความมั่นคงปลอดภัยส่วนตัวของเราหรือความสบายสบายใดๆเลยความคิดแบบนี้ครับพี่น้องครับเป็นความคิดที่ดูเหมือนว่าบางคนจะรับไม่ได้เพราะว่าเป็นความคิดเหมือนกับ extreme ตกขอบเป็นคริสเตียนนะครับ แต่เราต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ยังไงให้คนอื่นเป็นเถอะให้อาจารย์เป็นเถอะพี่น้องครับถ้าพระเยซูมีค่ายิ่งต่อเราทุกคนพระองค์จะมีค่าคุ้มกับทุกสิ่งที่เราจะเสียไปเพื่อจะได้พระองค์มาเพื่อจะได้เป็นสาวกของพระองค์มาเพื่อจะได้ทําตามน้าพระทัยของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์ได้เรามาดูครับว่าอาคาสาวกเปาโลนั้นพูดถึงความเป็นอาคาสาวก ของท่านท่านไม่ได้ชี้ถึงครอบครัวไม่ได้ชี้ถึงการศึกษาไม่ได้ชี้ถึงความสําเร็จหรือสิ่งที่ท่านได้รับในโลกนี้ท่านชี้ถึงการทนทุกเพื่อพระเยซูใน2โครินธ์บทที่11ข้อ 22-28 นะครับ2โครินธ์บทที่11ข้อ 23-28 เขาเป็นคนรับใช้ของพระคิดหรอือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาสิอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้า ข้าพเจ้าทำงานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีกข้าพเจาติดคุกมากกว่าเขาอีกข้าพเจ้าโบยถูกโบยตีเกินขนาดข้าพเจ้าวิตตายบ่อยๆพวกยูดาห์เคี่ยนข้าพเจ้าห้าครั้งครั้งละสาิบเก้าทีเขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบองสามครั้งเขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญชั้เผชิญภัยเรือแตกสามครั้งข้าพเจ้ารอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยน่ากลัวในแม่น้ำเผชิญโจรภัย เผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยในนค ร, รเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในทะเละเผชิญภัยจากพี่น้องทรยศข้าพเจ้าต้องทํางานเด็ดเหนื่อยและยากลําบากต้องกดหลับกดนอนบ่อยๆต้องหิวกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือย์กายและนอกจากนั้นยังมีการอื่นที่บีบข้าพเจ้าอยู่ทุกวันทุกวันคือความโกรนกว歪ถึงขึ้นจากทั้งปวง พี่น้องครับในสงครามเราต้องเชื่อฟังอย่างยิ่งฐานที่แท้จริงต้องเชื่อฟังนายที่อยู่เนื้อตนอย่างไม่ต้องไปถามหรือลังเลใจเราไม่ควรคิดว่าพระคริสต์จะทรงกําหนดมาตรฐานต่ำไว้พรงเป็นผู้สร้างและเป็นพระผู้ไถยพระองค์จึงมีสิทธิ์ทุกประการที่จะหวังปรารถนาให้ผู้ติดตามพระองค์ที่เป็นสาวกนั้นเข้าสงครามด้วยการเชื่อฟังคําสั่งสอนของพระองค์อย่างชิ่นเชิงครับพี่น้องครับสุดท้าย ผมจะมอบคำพีนะครับขอมอบคำพีให้กับพี่น้องทุกท่านจงทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระกิตในพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูต่อว่าการเป็นทหารที่ดีของพระกิตนั้นเป็นอย่างไรจงทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของปยิสุกิตราเมน